ไปเมื่อวิปัสนาญาณแก่กล้า จ, จนกระทั่งสามารถวางเฉยไม่ต้องเพ่งรูปนามเหมือนก่อนจิต ท, ที่กําหนดรู้มีความผ่องใสละเอียดอ่อนผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้สึกว่าสามารถกําหนดรู้ได้ตามธรรมชาติแม้จะไม่ได้จดจอก็อยังเห็นรูปนามที่ละเอียดอ่อนได้และ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 เหมือนนกที่บินกลับมาสู่เรืออีกส่วนวิปัสสนาญาณที่แก่กล้าด้วยกำลังอินรี่หเหมือนนกที่บินเข้าหาฟังวิปัสสนาญาณดังกล่าวปรากฏอย่างรวดเร็วเพียงสามหรือสี่ขณะจิตแล้วสามารถอย่างเห็นความเกิดดับของสังขาร6กอย่างคือการสัมผัสการรับรู้การได้ยินการเห็นการรู้กลิ่นการลิ้มรส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 อริยะสาวกผู้ต้องการจะเข้าผลสมาบัติต้องหลีกเร้นอยู่ในที่สงบกาหนดเห็นสังขารด้วยวิปัสนาญาณมีอุทธายายญาณเป็นต้นโดยเหตุที่อุทธยาัยญาณปรากฏผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นแสงสว่างหรือนิมิตอารมณ์ต่างๆบางท่านเมื่อเริ่มกาหนดได้พบว่าสติไม่อาจรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันได้